เห็นไตอนนี้เราดูตัณหาดูราคะออกล้เนี่ยอยากตลอดเวลาตอบสนองเท่าไหร่ก็ไม่ทันมันไม่มีทางทันเลยพวกหนึ่งก็นั่งกำหนดไปเพ่งไปนะพวกนี้ทุกตั้งแต่กำหนดแนละ้วทุกอื่นเลยไม่จอนเข้ามานะเหลือแต่ทุกจากการปฏิบัติพวกหนึ่งก็หนีหนีไปเลยเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งเหล่านี้ชั่วคราวหมดเรากำหนดไปก็กาหนดได้ชั่วคราว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 เบอร์สามสิบห้าเห็นไหมไปมองเขาลืมตัวเองฝึกอย่างนี้นะฝึกเอเมื่อกี้ขาค่ะแล้วก็ฟังไม่ได้ยินเมื่อกี้ขำค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้บังคับแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วค่ะอืมทีแรกบังคับอยู่นะแล้วก็ลงไปฟังแล้วก็ขำเห็นไหมพอหลวงพ่อหันมาถามก็เลยเกลิงขึ้นมาอีก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 เราไม่ต้องไปวิเคราะห์สภาวะแต่ละชนิดแต่ละชนิด <ven. S 1> เราแค่เห็นว่าสภาวะแต่ละอย่างแต่ละอย่างน <ven. S 1> <squeeze. S 2> ั้นไม่เหมือนกันทําไมเห็นว่าแต่ละอย่างไม่เหมือนกันนี่จําเป็นรู้ไเพื่อจะได้เห็นว่าทุกอย่างที่เกิดล้วนแต่ดับทั้งสิน้น <โ caso. S 1> ถ้าเราแยกสภาวะไม่ออกเราจะรู้สึกว่ามีสภาวะอันเดียวรวดคงที่ถาวรแต่ถ้าเราเห็นอย่างโลภ ก, กับหลงไม่เหมือนกันนะหลงกับโกรธไม่เหมือนกันอะไรเ ง, งี้ยถ้เราเห็นความแตกต่างของสภาวะเราถึงจะดูออกความโลภเกิดอยู่ชั่วคราวแล้วหาย ควโกรธอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายนี่สภาวะยืดยืดนี่ก็หายรู้สึกไหมมันเป็นยังไงก็ได้ก็ก็ตามรู้ไปก็ตามรู้ด้วยใจที่เป็นกลางถ้าใจเกิดสงสัยว่าอะไรนะรู้ว่าสงสัยถ้าใจพอใจโอ้วันนี้ภาวนาดีรู้ว่าพอใจก็บางช่วงก็รู้สึกว่าเห็นจิตมันฮึกเฮิมก็ดีแล้วจิตมันฮึกเฮิมได้นะแต่บอกไว้เลยวันหนึ่งมันก็ป่อแแปล้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 ถ้าเราไปเพ่งใส่เฉพาะตัวลมจะเป็นสมถะนะแต่ถ้าเราเห็นร่างกายนี้หายใจอยู่ใจเราเป็นคนดูอยู่นะมันจะเริ่มแยกรูปแยกนามเป็นต้นทางของการทํำมิปัสสนานะสังเกตไหมเนี่ยหายใจอยู่เนี่ยมีใจคนหนึ่งเป็นคนรูนะ้ต้องมีตัวผู้รู้ขึ้นมานะสํานวนวัตตาจะเรียกว่าตัวผู้รู้นะถ้าสํานวนในบาลีจะมีสัพท์อยู่คำหนึ่งเรียกว่าเอโกทิภาวะภาวะอันเป็นหนึ่ง เพราะว่าเป็นหนึ่งก็คือใจที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนี่เองในตอนนี้ใจแอบไปคิดแล้วทราบไหม<ะ>ใจมันไปคิดก็รู้ทันว่ามันไปคิดเมื่อกี้พยายามหน้านึงออกไหมเห็นไหมมันก็รู้นะไม่ใช่รู้แต่ใจไม่ใช่บังคับว่าต้องรู้กายอันเดียวรู้ใจอันเดียวอันนี้นเข้าใจผิดแล้วก็แปลว่ารู้กายนี้ก็คือรู้ทั่วๆไปไม่จําเป็นต้องไปเพ่งลมหรือการาถ้าต้องการทําความสงบก็ไปเพ่งเอาถ้าต้องการรู้นะ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 ล่นลงไปตรงไหนก็ไปงอกสร้างขันใหม่ขึ้นมาอีกจนกว่าเชื้อมันจะตายเชื้อมันคืออะไรรูห้หคือเอาวิชาาะฉนั้นถ้าล้างเอาวิชาไม่ได้นะเชื้อเกิดไม่หมดเกิดอีกถ้าเรารู้เข้ามาให้ถึงจิตจริงๆนะล้างเอาวิชาเชื้ อ, อวิชาได้อาวิชาเป็นความไม่เห็นอริยสัจไม่รู้ทุกนั่นเองไม่รู้ว่าตัวจิตนี้แหละคือตัวทุกคิดว่าตัวจิตนี้คือตัวดี